เมื่อลมปลากฏในอาการนิ่งเราก็ดูความนิ่งของลมเมื่อลมมันเคลื่อนที่เราก็ตามรู้ลมมีแค่นี้ทที่ยวเมื่อมีแค่นี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาตราบใดที่จิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึก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 ทานชนิดที่ไม่มีเครื่องรู้แต่จิตต้องอยู่ในจุดเดียวหนักหนกเข้าเมื่อติดทานแล้วจิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสนาเมื่อจิตเบื่อทานแล้วจิตจะกลายเป็นจิตหดหู่เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติท่านใดถ้าจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องละลิก นั่นเป็นการดีสำหรับการปฏิบัติ้ายิงมีความเคิดฟุ้งมากๆยิ่งดีดีมันดีอย่างไรดีเพราะจิตจะมีเครื่องรู้มีสติมีเครื่องละลึกอย่างสมมติว่าท่านต้องการจะให้จิตของท่านสงบนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้มันมีแต่ความฟุง้ง ถ้าหากท่านสามารถตําหลดจิตตามรู้เอาตัวสติตามรู้ความคิดที่มันฟุ้งซ่านอะไรเนี่มันจะคิดดีกว่าตามคิดทั่วกว่าตามตามรู้เรื่อยๆไปในขณะที่ท่านตามรู้อยู่นั้นผลซึ่เกิดจากสิ่งที่จิตของท่านคิดขึ้นถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาวะปกติจิตจะอยู่ใน อ, อยู่ในลักษณะสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไป แต่ถ้าหากมันเกิดอาการของกิเลสขึ้นมาท่านจะเกิดความยินดีหละเกิดความยินลายสิ่งใดที่ท่านชอบท่านจะยึดในเมื่อท่านยึดตรงไหนภาวะตันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านยินดีที่ตรงไหนกามมาตันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านเบื่อหน่ายที่ตรงไหนคือภาวะตันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่น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 จิตกลายเป็นสภาพปกติซึ่งมีสมัทถภาพที่สามารถจะปฏิวัติตัวเองไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ไดเป็นหน้าปฏิบัติสมาธิอย่าไปติดวิธีการถ้าเราไปติดวิธีการแล้วเราจะเอาวิธีการนั้นมาฟัดกันเสร็จแล้วก็จะเกิดทะเลาะกัน การทำสมาธิเป็นกิริยาของจิตนั่งทำสมาธิได้เดินทำสมาธิได้นอนทำสมาธิได้หรือใครจะแน่จริงวิ่งทำสมาธิก็ได้ถ้าใครจะเก่งกวน่านั่นลงสีสา ป, ปักกรงกับเพื่อนชี้ขาขึ้นฟ้าแล้วทำสมาธิได้ถ้าใครเคไปเยี่ยมสำนักชีเปลือยยัได้เห็นเขาทำสมาธิด้วยท่าทางที่เอา สีปักปะุงกับพื้นแล้วก็เหยียดเท้าขึ้นบนอากาศกําหนดจิตบริกรรมภาวนาตามแบบของเขาอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีเป็นวันเพราะฉะนั้นในกิริยาอาการที่แสดงออกทางกายนี่เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นที่สําคัญที่สุดเพื่อกลัวการกําหนดรู้อยู่ที่จิตท่นานจะอะไรเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติได้ทั้งนั้น โดยที่สุดแม้ว่าถ้าหากว่าท่านใดมานั่งไปชมอยู่ที่นี่ท่านอาจจะเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งที่บ้านพอกำหนดจิตดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือยกหนอพองหนอพุทโธพุทโธก็ตามเมื่อจิตของท่านวิ่งไปหาคนที่ท่านรักท่านชอบอยู่ที่บ้านมันไม่อยู่กับสิ่งที่ท่านกาหนดอะไรที่มันรักมันชอบเอาอันนั้นและมาภาวนา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 ในเมื่อมันเิ็ดกับสิ่งสิ่งหนึ่งมันก็ไม่คิดถึงอีกสิ่งหนึ่งมันคิดถึงอยู่แต่สิ่งเดียวเท่านั้นในเมื่อมันคิดอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวไม่ส่งกระแสะไปทางอื่นมันเกิดความสงบใช่ไหมนี่เราดูกันแค่นี้ถ้าหาการปฏิบัติ <c oughs> เราไม่ยึดวิธีการเป็นใหญ่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 ปลอมจิตของเราให้เข้าไปสู่ความสงบแต่การที่สามตั้งใจทำจริงคือนึกถึงสิ่งนั้นจริงจริงเอาความจริงเข้าเป็นหลักในหลักที่ว่าภาวนาให้มากๆอบรมให้มากมากกระทําให้มากๆาํทำให้จำนิจํำนาน การตั้งเจตนากำหนดบริกรรมภาวนาเป็นการปรับปรุงปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเมื่อสมาธิจะเกิดขึ้นเราจะต้องหมดความตั้งใจสมาธิเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจการคอนคิดพิจารณาอะไรก็ตามซึ่งในสายแห่งวิปัสสนาในขณะที่เราตั้งใจค้นคิดอยู่นั้นวิปัสสนาจะไม่เกิด เมื่อเราหมดความคิดแล้วนั่นแหละวิปัสนาจึงจะเกิดนี่คติอเ น, นขอฝากบรรดานักศึกษาธรรมะในทักปฏิบัติทั้งหลายไว้พิจารณาเป็นข้อสังเกตถ้าถึนประสบก า, ารณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> การพิจารณาวิปัสสนานั้น ตราบใดที่เรายังมีเจตนาตั้งใจคิดอยู่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้คือนี่เป็นแต่เพียงการปรับทรุงตกแต่งปฏิปทาข้อปฏิบัติในมัหมอคขาว่าสิ่งนี้คือจิตสงบนิ่งว่างพอเกิดความว่างแล้วถ้าจิตมีสมรรถภาพพอที่จะเกิดภูมิความรู้ภูมิธรรมขึ้นมา มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่จิตของท่านว่างแล้วคือว่างจากเจตนาสัญญาที่จะน้อมเล็กใดๆทั้งสิ้นในเมื่อว่างจากเจตนาสัญญาที่จะน้อมเล็กให้สู่ความว่างเมื่อความคิดความรู้ที่เกิดขึ้นในอันดับต่อไปนั้นจะรู้สึกว่าเกิดขึ้นอย่างที่ท่านไม่ได้ตั้งใจนี่ให้สังเกตกันอย่างนี้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 การที่สองวรระวังรับษาวความรู้สึกสำนึกผิดชอบชัว่วดีให้ทรงอยู่ในความรู้สึกเป็นปกติคือการสัมรวมสตินั่นเองก็มีประสงค์อยู่ในใจผู้มีสภาวะความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจจะต้องเป็นผู้ตื่น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 การละทั่วโดยทั่วๆั่วไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งระดับของคารวาสผู้คลองเลือดเป็นจะศีลทศศีลห้าข้อนั้นแหละเป็นหลักการละความชั่วการละความชั่วตามกฎของศีลห้าข้อนั้นกอมีเจตนางดเป็นตามข้อนั้นๆโดยเด็ดขาด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 ในเมื่อได้สังวรนระวังรักษาศีลห้าข้อบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ควรที่จะได้ภูมิใจว่าเรามีคุ ณ, ณธรรมอันเป็นพื้นฐานมีคุ ณ, ณธรรมอันสามารถปราบปลามอำนาจของกิเลส ท, ที่จะพึงล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาได้โดยเด็ดขาดแล้วถ้าหากท่านจะพิจารณารู้ซึ้งลงไปว่า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 โดยผู้เห็นว่าถ้าท่านไม่ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งในห้าข้อนี้เราจะประหารชีวิตท่านให้ตายข้มั่นเลยศีลท่าอย่างแท้เก่งย่อมยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อบูชาคุณธรรมคือศีลท่าถ้าหากใครสละชีวิตบูชาคุณธรรมคือศีลท่าได้เด็ดขาด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 มีความรักในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างทราบซึ้งมีความเลื่อมใสในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นอนไม่มีการกลับกรอกเปลี่ยนแปลงแม้ว่าใครจะมาขู่เข็นให้เลิกไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่ไหวฉันจะประหารชีวิตเสียให้ตาย ผู้มีคุณธรรมจิ่ลักษ์มั่นในพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์จะต้องยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อบูชาคุณธรรมนันๆนโดยจะไม่ยอมปฏิบัติตามคำขู่เข็นของผู้มีอำนาจที่จะมาขู่เข็นให้เราละเมิดล่วงเกินหรือละทิ้งสิ่งที่เรายึดถืออยู่ อันนี้คือคุณสมบัติของความเป็นพระโถดาบัน <c oughs> ถ้าหากท่านผู้มีจิตใจที่มั่นคงถึงขนาดนี้แม้หากจะยังไม่ถึงความเป็นระโสดาบันแต่ก็ใกล้ต่อความเป็นระโถดาบันคุณธรรมที่เราจะพึงได้จากการปฏิบัตินั้นนอกจากจะได้บรรลุระโสดาบันแล้วที่ลองลองลงมา ก็คือความเริ่มใสในพ ร, น ร, ระรตนาไทรปฏิญญาณตนถึงภารตะนาไทรยึดเอาภารตะนาไทรเป็นสาระที่พึ่งที่แหลมลึกอย่างเหนียวแน่นโดยไม่กลับกรอกเปลี่ยนแปลงแสดงว่าท่านผู้นั้นรู้สภาพความเป็นจริงของพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งท่านพูดถึงคุณธรรมขนาดนี้แล้ว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 แล้วท่านจะรู้จักพระพุทธเจ้าโดยฐานะที่เป็นคุณธรรมเท่านั้นจะไม่ได้มีความสำคัญมั่นหมายว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นตัวเป็นต น, ตนท่านชายสิทธัตถะที่เรายอมรับว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พระท่านในบรรลุคุณธรรมคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเอง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 นั่นเป็นการเข้าใจผิดแต่ทางที่ถูกต้องนั้นก็คือจิตของท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเองถ้าท่านไร้กว่าพระพุทธเจ้ามีตัวท่านก็จะต้องเห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวถ้าท่านได้กว่าพระธรรมเป็นตัวเมื่อจิตสงบโปรงไปแล้วท่านจะเห็นคมผีพระธรรมถ้าหากท่านคิดว่าพระพุทธเ้าพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนเมื่อจิตสงบลงไปแล้ว ท่านจะเห็นพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นหมู่เป็นพวกเดินเข้ามาหาท่านหรือเดินผ่านท่านไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอุปาทานพี่ท่านคิดว่าอยากรู้อยากเห็นระ้วดาจิตที่สงบลงเป็นสมาธิในขั้นอุปจารสมาธินั้นถ้าจิตมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมันจะกลายเป็นตัวเป็นตนไปหมด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 เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหนึ่งท่านจะไปเอกใจจะไปตื่นในการที่ได้พบเห็น